ก็ขาดความมั่นใจใส่จิตใจไม่อยู่กับธํากับยิ่งนัยพอให้มีความหนักแน่นในจิตจิตให้เกิดความสนใจเกิดเออะมาดูพอเป็นพิธีไปยังไงเราไม่ได้ยกโทษเราพูดตามคำสั่งเราได้ยินด้วยหูของเราอืเรานั่งฟังปฏิโมกต์อยู่ด้วยทําไมเราจะไม่รูก็เราสวดปฏิโมกต์ได้ด้วย ไม่ใช่สวไม่ได้สวดดีไม่ดีมันก็ต้องรู้มันมีมหาป ร, ริยนทั้งนั้นสวดเวลาสวดไปมันเป็นท่ามันไม่สมเป็นวัดใหญ่มไม่เป็เทพพอกับความเร็วเขาว่าเรเหมือนนกขุนทองไม่ได้สับดสรดจเหมือนท่าที่ข้าตาดสัน วัดองค์ใหญ่อนี้ผมเกี่ยวข้องเหลายวัดอย่างนี้เลยถ้าวันไหนก็ต้องไปฟังปฏิโมกข์วัดนั้นวัดนั้นเพราว่าเทศส่วนดีเทพสวดดีส่วนดีวัดบรมวรน้ี่เป็นเป็นรองไปรองอยู่มากอันนี้เราพูดถึงวัดใหญ่วัดไปอยู่ที่ไหนเราสังเกตทั้งนั้น มันดูอดน่าที่ ไ, ไม่สังเกตหักสังเกตอยู่นั่นแ่ะตามควา ม, <c oughs> มเป็นเจ้าของเอที่บสังเกตสังเกตหาเหตุหาผลเพื่อเป็นอัดเป็นธรรมนั่นเองไม่ได้สังเกตเพื่อจะยกโทษความมองใครๆในเนียเน่ยละเนี้ยได้อย่างนั้นเราไม่มีมองเพื่อหาความตั์ความจริงตรงกับความจริงเช่น <c oughs> การสวดปฏิโมกข์ถเป็นความจริงก็อะเป็นอาอาเป็นอาอีเป็นอีอีเป็นอีคารุระหุหนักเบา อ, อักษร น, นั้น อ, อักษร น, นั้นกรกดาษตัวนั้นนั่นออกมาจากฐานกรดใมฐานกรอนั้นออกมาจากที่ไหนบ้างผมหาวิญญานรู้ได้ดีเพราะอันนี้เป็นหลักของบาลีที่จะสอบเป็นปริญญนด้วย ต้องรู้สติปันญาโคสะโคสะครุรหงุงทีฆะรัสาต้องมาระยังรู้ดีครั้งมาผังประโยคนี้ไปแล้วน่าจะไม่สึกกับใครก็รู้เพราะครูเลยสอนเอาภาษาถังตั้งแต่เย็นมาดีแล้ว ลัาไม่ถูนใจท่านเองอืมนันก็มีเท่านั้นเร า, าไม่รู้พูดไม่ได้ลงเป็นมหาปยนันไม่รู้ไม่รู้สิ่ง น, นี้เป็นไปไม่ได้เพนั่นเลยเพราะ น, นี้เป็นเป็นหลักสูตรของความเป็นมหาปยนันเป็นหลักสูตร่ายบาลีก่อนจะไปแปลธรรมบทต้องผ่านบาลีเหล่านี้เสก่อน ส่นที่สมาธิตรง น, นี้ต้องเคร่งตัวสักไหนเป็นส่นที่แอไหนเป็นสมาธิเป็นตัดทิศอาคยานามกิมันรู้หมดดีไ ม, ดม่ดียังรู้ไปจนหมดตรงธาตุวิพัฒตัดใจจะมาว่าอะไรกันแต่เรากระดับฐานก่อนที่เรียนเพื่อสวดปฏิโมก์เท่านั้นเราจริงไหม ไม่ประสงค์หมูเ่เพื่อนขึนมาอยู่ด้วยตรวจปาทิโมกเป็นทำกิจสมอย่างเต็มที่สังกกรรมประเภทหนะึ่งกิจสง์ทั้งหมดจะเป็นความเรียบร้อยลงได้ในสังกกรรมประเภทนี้ต้องผู้สวดเป็นสําคัญสวรวจปาทิโมกตรวจไม่ถูกก็ไม่สงวยนะสงไวยวางใจให้ผู้นั้นทําหน้าที่เพื่อสง ทั้งวัดจึงต้องทำหน้าที่ให้เต็มเล่เต็มหน่อยให้ถูกต้องทีนี้เองจึงต้องเตือนสมุนก่อนก่อนที่ใครจะสวดต้องได้ฝึกซ้อมให้เป็นที่แน่ใจก่าในระยะพันรูมแบบแห่งการสวดนีถึงจะไม่เร็วเ็รไม่ใรวดเร็วอะไรก็ตามเราไม่ถือเป็นท้องันยิ่งกว่าการสวดให้ถูกต้อง ตามวัคละตั้งกองจำได้แม่นยำสวดได้ถูกต้องในเบื้องต้นแม้จะสวดช้าไปบ้างแต่เมื่อความเคยชินมีแล้วมันก็รวดเร็วไปเองเร็วไม่ใช่เร็วแบบไม่ได้ทอดได้ความเร็วตกบทตกอตามบทตามบัมทที่ไหนที่มีรักษามากๆ ม, มันก็เร็ว มีทีครมังงากระช่าไปเองตามจังหวะของการสวดที่มีเสียงสั้นเสียงยาวโดยกินเน้่ยเป็นไปเองความเร็วก็เร็วไปเองเร็วไปตามหลักทางความถูกต้องมันจะเร็วเพื่อเร็วไปเร้วยกับแต่ว่าอย่างนั้นไม่นับเข้าในกฎเกมนี้ เบิมูลเปิดอะไรก็ตามดูสูตรไหนดูให้ถูกต้องแน่นยัง่งอย่าให้คาดเคลื่อนอย่าถือว่าไม่สำคัญศาสนาสำคัญทั้งพระสูตรทั้งพระวินยัยทั้งปรมาติฏฐสำคัญหมดสูตรต่างๆออกมาจากจำพวกไหนพวกพระสูตรหรือพระวินยัย หรือว่าเปรมมาคอยถูกต้องตามนั่นทำง่ายไม่ดีศาสนาออกมาจากท่านผู้มีความเพียรมากท่านผู้มีอดมีความอดทนมากท่านผู้มีความใจโหดฉลาดมากท่านผู้มีความสามารถมากทุกสิ่งขึ้นชื่อว่าเป็นความดี แล้วออกมาจากพระพุทธเจ้าซึงเป็นรอมศาสด า, า, าของโลกเพราะฉะนั้นศาสนธรรมที่ประกาศออกมาจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องแม่นยงควรเก่การเคารพนับถือและปฏิบัติตามทุกแง่ทุ ก, ทกมุมไป ไม่มีแน่ใดไม่สำคัญเพราะเป็นแง่ที่จะทำให้คนดีทั้น้าเป็นแง่ที่จะจะงับดับพิษภัยภายในจิตใจซึ่งกิเลสสร้างขึ้นมาให้ค่อยหมดไปหมดไปเหมือนกับน้ำที่สะอาดํำละล้างะฐานที่หรือสิ่งที่โสโครก โกภูุิหลักมันปราศจากสิ่งรประกอบนั้นกลายตรงของปะาสถานที่สะอาดขึ้นมาจิตใจของเราเป็นเหมือนกับพื้นที่หรือวัตถุอันหนัน่ซึ่งเป็นสิ่งที่ศกกรปบมาตั้งแต่ดั้งเดิมแต่การไหนๆจนเจ้าตัวก็ไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าจิตของตัวเองนั้นเป็นอย่างไรด้วย นะคุกเข่ากับสิ่งใดด้วยและการคุกเข่านั้นคุกเข่ากันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าเป็นสิ่งที่ฝังจมเหมือนลูกสอนก็เรียกว่าฝังจนจมมิดปก ส, สิ่งกับปกนั้นฝังจิตใจจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่สามารถที่จะทราบได้โดย ธรรมนาสามันที่จะป้นคว้าพินิพิจารณาให้ทราบแต่จะทราบได้ทางเดียวคือหลักพิตะภาวนาดังพระพุทธเจ้าไดตรทรงดำเนินมาแล้วพระพุทธเจ้าทรงทราบความจริงและชะล้าง สิ่ที่สกปรกโสงมงทั้งหลายอยู่ภายในกระถทยออกได้ด้วยถรมซึ่งเป็นเหมือนกับน้ำทิ <c oughs> ศสาสนาปรากฏออกมาให้โลกได้เห็นได้กราบไหว้บูชาเพราะการค้นคว้าหรือภาพปฏิบัติทางด้านศตับภรมนาของพระพุทธเจ้า ้องลำดับมาก็ดำเนินแบบเดียวกันแม้พระองค์เองเป็นผู้ประธานพระโอวาให้เกิดบรรดาสาวกตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกที่ประกาศธรรมเชี่ยสาวกมีเป็นจะวกี่เป็นต้นก็ทรงสแสดงวิธีการปฏิบัติและการ าฏิบัติเพื่อกาจัดสิส่งสโปรกแลภูมิลังทั้งหลายซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจนั้นแจ่สาวกในขณะที่บรรดาสาวกที่ฟังก็ฟังเพื่อรู้จริเห็นจริงฟั้งเลือความใก้ควพรพึงพิจารณาเพราะเป็นผู้มีภูมิสูงอยู่แล้ว พวกอุคติเต็อยู่เส้มพวกปันจวัคคียเป็นพวกอุคติเต็อยู่ที่พร้อมแล้วที่จะรู้สึ่อทำทั้งหลายอย่างรวดเร็วด้วยสติปัญญาที่ค่ยควรไปตามในขณะนั้นเนื่องจากความสงบทางด้านจิตใจนี้ท่านเหล่านี้ได้บำเพ็ญมาเต็มสติกาลังความสามารถจนถึงกับบางรายอาจคิดว่า ตัว น, นี้เลยถึงขั้นสัจจิตพิเศษแล้วก็ได้มีพราะความสงบเยือกเย็นของใจไม่มีเกี่ยวกับโลกภายนอกแต่อย่างใดเนี้ยโลกภายนอกก็ไม่เข้ามาประสาทประสานเป็นจิตที่มีความสงบแนบแน่เป็นแต่เพียงว่าสิเลส่วนละเอียดที่ฝังจมอยู่ภายในนั้นท่านเหล่านี้ไม่อาจทราบได้เพราะฉะนั้น เมื่อพระพุทธเจ้าทรงสแสดงทำให้ฟังในอริยสัจสิ่งซึ่ประกาศในวงแห่งธรรมจักท่านเหล่านี้จึงได้ดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาคือรู้ตามความจริงแห่งสภาวะธรรมทั้งที่มีอยู่กับตัวเองและทั่วทั่วไป ดังพระัญญาโกลธรรมะทรรมอุทาหนึ่งขึ้นมาในขณะนั้นเพราะการถึงความจริงในขั้นเดิมเด็ดว่ายังจริยธรรมสมุทัยธรรมมังสับบันตานีิโอตะธรรมมาิงได้สิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิงนั้นต้องดับเป็นสิ่งที่ซึ้งถึงใจพระัญญาโกลธัรมะ ในขนาดที่แสดงธรรมะสกัดโพธิ์ตนะสูตรจบลงพระองค์ก็เลยลงเป็นอุทานขึ้วน ว, นนนาวนน่าอัญญาชิกวัตถโพกลนนินยน อ, อัญญาชิกวัตถโพคลนนินยาพญากรัญญะได้รู้แล้วหนอพรญญากุัญญะได้รู้แล้วหนอ ได้พูดตนามงโมสีอโมตินามอันนั้นจึงได้เป็นนามพระอัญญาโกนัญญาสืบต่อมามีต้องอาศัยทั้งการฟังซึ่งก็เป็นการเป็นภาคปฏิบัติอยู่ในตัวด้วยทั้งการปฏิบัติโดยลทาทังตนเองด้วยเพราะพระองค์ทรงสอนอย่างนั้นเนื่องจากพระองค์ก็ทรงปฏิบัติดำเนิน เ็มพระสติกำลังความสามารถนดขั้นสลบสลไยลด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมจึงไดทรงรู้แจ้งแทงเราในเยียวธรรมทั้งหลายเมื่อนำมาสั่งสอนบรรดาสาวกทั้งหลายก็ต้องสอนโดยวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาอย่างไร มีภาคปฏิบัติเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าคอดีสาวกทั้งหลายคนดีที่ได้รู้จริงเห็นจริงในธรรมเรียกว่าบรรลุธรรมท่านบรรลุด้วยภาคปฏิบัติทั้งหลาย ไม่ได้บรรลุด้วยภาคศึกษาเราเรียนธรรมดาเหมือนอย่างที่โลกรอบเรียวกันทั้งธรรมะและวิชาภายนอกวิช า, าของโลกไม่เลยเป็นอย่างนาั้นฟังก็ฟังเป็นภาพปฏิบัติใจร้องตามหลักความจริงที่พระองค์ทรงสั่งสอนเวลาปฏิบัติก็ปฏิบัติตามหลักความจริงที่พระองค์สอนแล้วอย่างใดเหมือนกัน เพราะฉะนั้นผลจึงปรากฏเป็นที่พึงใจขึ้นมาโดยลำดับลำดับในบางต้นด้กราวถึงจิตที่เต็มเปร้วยสิ่งสโปรกโสมมงคลที่ไม่ได้ชำละล้างออกเลยจิตทั้งรวงจึงมองเห็นตั้งแต่ความโสโปรกมืดดำไปหมดจนไม่อาจทราได้ว่าจิตเป็นอย่างแบบ ก็มีแต่จิตที่หุ้มห่อปิดบังความจริงคือจิตนั้นได้อย่างมิดชิดจนไม่สามารถมองเห็นได้โดยเหตุนี้จึงต้องปฏิบัติการปฏิบัติก็เหมือนการชำระล้างสิ่งที่ศกตกซึ่งเต็มอยู่ภาณาจิตใจนั้นไปโดยลำดับตั้งแต่ภาพสีขึ้นไปสมาธิ สมาธิเป็นสำคัญหรือสมาธินี่เข้าถึงตัวจิตออกจากนั้นก็เข้าถึงขั้นปัญญาสมาธินี่เป็นอุบายวิธีตะล่อมจิตหรือตะล่อมกิเลสให้เข้าสู่จุดรวมถึงรดอะไรมาฮะ เมื่อพิเรศเข้าสู่จุดรวมไม่สร้างไปทุกแห่งทุกผลตามรูปเสียงกลิ่นรสเรื่อมสัมผัสต่างๆแล้วพิเรศก็ไม่กวนกลายเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาจากนั้นปัญญาก็ทำละล้างโดยลมพิจารณาเง่ต่างๆอย่งความปิดข้องของจัก ใจหนักไปในอารมณ์ใดหนักไปในรูปรูปประเภทใดรูปหญิงหรือรูปชายหรือรูปพัสดุต่างๆซึ่งมีหลายประเภทเต็มอยู่ในโลกจิตมีความหนักแน่นติดพันในรูปใดมากกว่ากันนั่นปัญญาจะพิจารณาหรือจับสิ่งนั้นเข้ามาเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณา โดยทางสติปัญญาเช่นติดรูปเห็นว่ารูปสวยรูปงามนถึงกับมายั่วยวนวิเลศซึ่งฝังจมอยู่ภายในกิจนี้ให้ฟุ้งตัวขึ้นมากลายเป็นความรักความกำหนัดยินดีแล้วทำใจให้ผุ่น ม, มัวด้วยให้วุ่นวายสายแสจนตั้งตัวไม่ติดหรือตั้งตัวไม่ได้บ้างเนื่องจากอำนาจแห่ง สิ่งภายนอกกับความสําคัญมั่นหมายภายนจิตใจก่อตัวมืทั้งสองอย่างนี้บวกกันเข้าแล้วมารวมอยู่ที่จิตใจกลายเป็นความกังวลกังวลขึ้นมาเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาพิณิพิจนาถึงรูปนั้นว่าเป็นเพราะเหตุใดจึงต้องไปติดไปผันแต่ก่อนที่ยังไม่เห็นก็ยังไม่รักไม่ชอบใจขณะเห็นแล้ว หลังจากการได้พบได้เห็นแล้วเข้ามานี้ตั้งแต่ความหุ่นวายสายโ่โกรธอารมณ์อนั้นมาติดอยู่กับติตกับใจตลอดเวลาเป็นเพราะเหตุไรนั่นอุบายวิธีการพิจารณาดังนั้นนั้นนำรูปนั้นกำหนดรูปนั้นมาแยกแยะดูให้เห็นสิ่งที่ หน้าปิดหน้าคล่องสิ่งที่น้ารักใคร่ชอบใจนั้นมันมีอยู่ที่ไหนกันแน่ที่แรกกิจจะเหมาเอาหมดทั้งตัวเอาหมดทั้งตัวนี่ดูให้เห็นตั้งแต่ผิวหนังขึ้นเอาไปตั้งแต่ผมลงไปโดยลำดับถึงผิวหนังเข้าไปหนังภายในเข้าไปถึงเนื้อถึงเอง็นถึงกระดูกถึงภายในอาหารใหม่อาหารเก่า พิจารณาเข้าไปจนระลอดทั่วถึงด้วยปัญญาหลายตลบทบทวนกำหนดให้แตกลงไปหรือกำหนดให้พองตัวขึ้นในขณะที่ตายแล้วแม้แต่ไม่ตายก็เต็มปะปด้ยวยของปฏิพิิย์อยู่แล้วความที่ว่าสวยว่างาม น, นั้นเป็นเรื่องของกิเลสตัวจมปลองจึงมาหลอกลวงจิตให้หลงสิ่ง น, นั้น ซึ่งไม่เป็นของสวย ง, งามว่าเป็นของสวย ง, งามแล้วให้เกิดความชอบใจกันแบดจริงดีนี่คือสิ่งจอมปลอมทั้งหลายเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นปัญญาจึงต้องแก้ไปตามสภาพแห่งความจอมปอมมันนิยมอย่างไรก็แก้ความนิยมของทีเล็กนั้นให้มันตกไปห็นว่าไม่ว่า ง, งามมันงามที่ไหนค้นหานี่นี่คือความจริง คำว่างามไม่ใช่ความจริงคำว่าสวยไม่ใช่ความจริงคำว่าน่ารักใคร่ชอบใจไม่น่าติดผันไม่ใช่ความจริงเป็นความจอมปลอมของกลมายาี่เดตะหาชวนทำนะ่็คือความจริงแล้วกำหนดแก้กันได้ในขณะนั้นทันทีว่ามันสวยมันงามที่ไหนมีผิวหนังบางๆเท่านั้น ท า, ทาไว้ในบุคคลคนหนึ่งทั้งหญิงทั้งชายไม่ได้หนาเท่ากระดาษเลยในที่หลอกตาคนโง่พวกเราโง่ให้เห็นวนา้อถของเถื่อนพองงามไปตามที่เหลีกตัวหลอกลวงยังพิจารณาเข้าไปในเข้าไปลึกเข้าไปเท่าไหร่เย่งเต็มไปแล้วของปฏิคูลโสโครกทั้ง น, นั้น นี่คือความจริงนนที่กิเลสที่มรั่งเศสสรรว่าสวยงามนั่นตรงไหนมันไม่มีมันหลอกนี่ให้ดูอย่างนี้เกี่ยกว่ปัญญ า, าเราเคยเชื่อกิเลสเชื่อมานานแล้วและได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะกิเลสบีบคัน้นจิตใจกิเลสมันหลายประเภทกิเลสที่สำคัญหลอกให้สําคัญว่าสวยวางา ม, วามมันมีหลอกให้มีความรักใคร่ ย, ยินดีครอบมี หลอกให้เกิดเป็นอารมณ์สําคัญมั่นหมายจนกลายเป็นธรรมารมณ์แล้วเป็นไฟราฆ่าปัญหาสมูมอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลาก็มียิ่เห็กมีได้หลายประเภทหลอกได้หลายประเภททั้งเหตุทั้งผลเป็นความรุ่งร้อนทั้งนั้นเป็นความจอมปลอมทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึง ต, ต้องเอาธรรมซึ่งเป็นของจริงนี้เข้าไป แ, แก้กันว่าความสวยงามสวยงามที่ตรงไหนดูให้ดี ดูให้ดูตามความจริงซึ่งเป็นหลักธรรมอย่าดูให้ปีนเกลียวกับความจริงจะเป็นเรื่องของกเด็ซึ่งเป็นค่าสิทต่อธรรมในขณะเดียวกันก็เป็นค่าสิทต่อเราด้วยแยกแยะดูหมดอ่าตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปดูให้ตลอดทั่วถึงทั้งภายในภายนอก ห, ห, หลายตลกทบทวนด้วยสติด้วยปัญญาเอาให้แหลกละเอียดดูแล้วดูเล่าสั้นแล้วสั้นเล่าคนแล้วคนเล่า ดูที่ไหนไปที่ไหนมันก็เต็มไปด้วยของปฏิคูณโสโครกอยู่ภายในร่างกายขางองเราทุกสัตว์ทุกส่วนทุกอวัยวะทุกเชิ้งทุกอันหา ค, ความสวยงามหา ค, ความเป็นสัตว์เป็นบุคคลที่น่ารักใ่าชอบใจที่ไหนมันไม่มีมันมีแต่ลมแต่แรงที่มาหลอกเฉยเฉยความจริง แ, แท้ๆมันไม่มีนี่ยังไม่ตายก็ เ, เป็นอย่างนี้นี่เป็นขั้นอ่ะกําหนดเวลามันตายลงไปไปีอย่างไห หรือเท่าแก่ชราลงไปแล้วเป็นยังไงกำหนดถึงขั้นตายอตายแล้วเป็นยังไงถึงขั้นหนุ่มๆสาวๆก็เถอะตายลงไปแล้วมันเป็นของเน่าของเหม็นยิ่งเพิ่มความปฏิกูลมากขึ้นไม่มีความปฏิกูลได้เท่าคนตายเดียวที่กำลังหน้าพองตัวและแต ก, ะกกระจัดกระจายให้เห็นอยู่ในขณะนั้นเลยนี่เป็นของปฏิกูลเต็มส่วน นี่คือเป็นธรรมเต็มส่วนสำหรับแก้เรื่องความสวยงามได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มร้อยเปอร์เซ็นทณาให้เห็นอย่างนั้นตามหลักของปัญญาซึ่งเป็นธรรมมาวุธเครื่องฟาดฟันทมแดกความสำคัญมั่นหมายทั้งหลายอันเป็นคนมายาลรืเป็นเรื่องของกิเล หเห็นเหตหุเห็นผลอย่างชัดเจนแล้วทำไมจิตจะไม่ถอนตัวออกมาจากความสำคัญมั่นหมายอันเป็นเพื่อหลอกลวงนั้นล่ะ<ม>ต้องทนไม่ได้<ม>แน่นอนถอนตัวออกมานี่อุบายปัญญาถ้าพูดถึงเรื่งเสียงก็เป็นลมปากเพรานั้นเสียงดีเสียงชั่วผานหูเราทาว่าเราไม่ไปตั้งความ สำคัญมั่นหมายในเสียง น, น, นั้นเส any in ียงนั้นก็ไมผิดอะไรกับลมที่โชยมาโชยไปผ่านหูเราเท่านั้นเขาตำหนิเราว่าไม่ดีหรือเขาชมว่าดีหรือได้ยินเสียงเพ่งเพราะๆก็เพราะเพราะความหมายของใจไปสําคัญมั่นหมายอย่างนั้นอย่างนั้นวาดภาพไปตามแล้วก็ทําให้เครือลิ้มหลงไหลไปตาม นี่เป็นเพลงของกิเลสประเภทหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจากใจโดยอาศัยเสียงเพลงเป็นต้น น, นั้นเป็นสาเหตุใจก็วาดภาพแล้วเคลือบเคลอมไปตางนี่ก็คือความลุ่มหลงเป็นกลมายาของกิเลสทั้งสิ้นแล้วความจริงแล้วก็คือหลงเหมือนลมพัดใบไม้ธรรมดานี่เองถ้าเรามันไปตั้งความสําคัญมั่นหมายเป็นเครื่องหลอกตนขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นมันก็ดับไปดับไป แต่การพิจารณารูปอันนั้นนะไม่ได้จําเป็นจะต้องพิจารณาทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสเรื่องสัมผัสถูกต้องต่างๆไปโดยสิ้นเชิงขอแต่ให้เป็นที่ถนัดใจเหมาะกับจดิตนิสัยจิตใจดูดดื่มควรจะพิจารณาอาการใดหรือสิ่งใดในอิสระภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหล่นานั้นเราพิจารณานั้น เป็นหลักเป็นเกณฑ์มันก็สามารถรู้แจ้งแทงตลอดไปทั่วถุงไปหมในบรรดาสิ่งภายนอกที่มาเกี่ยวข้องกับใจของเราดวงเดียวนี้และนอกจากนั้นก็ย้อนเข้ามาพิจารณาตัวเองเป็นข้อเทียบเพียงกันกันกบสิ่งภายนอกมีรูปเป็นต้อนอนั้นหารูปนั่นเป็นอย่างนั้นอารูปนี้เป็นอย่างไรรูปนี้ก็เหมือนกันนั่นร้อยตัวเไม่มีสิ่งใดผิดกันเลย ทุกอาการทุกส่วนของร่างกายไม่ว่าข้างในข้างนอกเป็นไปด้ยวยของปฏิกูลโสโรครกเหมือนกันกันกบภาย น, นอกที่เราพิจารณาผ่านไปแล้ว น, นั้นเทียบกันได้ทุกสัตว์ทุกส่วนผรเพี้ยนกระเบียดทุกกะเบียดทุกอนุกเบียดไม่มีอะไรกิจแตกแตกต่างกันไปเลยพอจะให้เกิดความสงสัยยึดมั่นถือมั่นในส่วนร่าง ก, กายว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นสิ่งที่น่ารักษ่าสงวน เป็นเรื่องของการสร้างฐานให้กิเลสมีความแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นแล้วทับจิตใจเราให้รับความทุกข์ไม่มีประมาณมนั่คือด้านปัญญาการพิจารณาดังที่กล่าวมาโดยยนยอน่อนนี้ยนย่อนนีนะ้นี่แหละคืออุบายของปัญญาการพิจารณาชะล้างจิตใจที่มันเกี่ยวข้องโภพพันที่ตรงไหนตัดออกมาด้วยการพิจารณาทวนกระแสของกิเลส กิเลสมันไปตามกระแสของมันเราทวนกระแสของกิเลสการไปตามกระแสของกิเลสนั้นเป็นเรื่องหลอกเราทั้งหมดการทวนกระแสของกิเลสแก้กิเลสแก้เผ็ดร้อนซึ่งกันและกันเท่าเราจะพูดแยกมาอย่างนี้ก็ได้เป็นธรรมที่เจรณาอย่างนั้นนี่คือปัญญาเมื่อใดที่เจรณาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยตามโอกาส ที่ควรพิจารณาและตามโอกาสที่ควรดูดพักเพื่อความสงบใจในทางสมาธิอยู่โดยลําดับทําดาบแล้วสมาธิก็มีฐานอันดีคือความสงบเย็นใจเพราะอํานาจแห่งความสงบของใจนี้ด้วยเพราะอํานาจแห่งสติปัญญาเป็นผู้หว่านล้อมพิจารณาที่คลายทุกสิ่งทุกอย่างให้จิตใจหายสงสัยแล้วไม่ไปคล้องแวะกับสิตโนนัยอะไรนั้นพอให้เกิดอารมณ์ด้วยจิตใจก็มีความสงบด้วย มีความองอาจกล้าหาญมีความสง่าผ่าเผยเพราะอำนาจของปัญญาเข้าสนับสนุนด้วย <c oughs> แล้วพิจารณาไปอย่างนั้นเรื่อยๆไม่ลดละถือนี้เป็นงานอย่างยิ่งสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อความดุดพ้นจากทุกยาไปฆ่าไปคเนไปเดาเรื่องมรรคผลนิานว่าอยู่ในสมัยนั้นในสมัยนี้ อยู่ในครั้งโน้นครั้งนี้สถานที่ที่โน้นที่นี่ดังทั้งพุทธการท่านบรรลุอยู่ในป่านั่นเขานั่นท่านดําเนินอย่างไรท่านดําเนินดังที่อธิบายมาแล้วดังธทำที่พระพุทธเจ้าประทานสอนไว้แล้วทุกวันนี้ไม่มีอะไรเคพื่อนค้าจากหลักความจริงพอที่จะทําลายกิเรนไม่ได้เป็นหลักธรรมที่สามารถกําจัดกิเรนหรือปราะหารกิเรสให้สิ้นไปจากใจได้ทุก บททุกบาทแทุกทำทั้งหลายสรุปความลงแล้วมีมัชฌิมาปฏิปทาเป็นต้นนี่แล้วคือธรรมที่ทันสมัยธรรมที่เหมาะสมต่อการปราบปรามกิเลสทุกประเภทไม่เหนือจากธรรมนี้ไปได้เลยกิเลสจะคิดหายวายลวงไปหมดจากใจกล้ายเป็นใจที่รบื่อสึกขึ้นมาก็เพราะมัชฌิมาปฏิปทาอันเป็นธรรมที่เหมาะสมนี้นอกเหนือไปจากนี้ไม่ได้และไม่มีกิเลสตัวใดจะนอกเหนือจาก มีอำนาจว่านอกเหนือไปกว่าธรรมคือมัชชิ ม, มานี่ครั้งพุทธการท่านก็แก้ทิเลดด้วยมัชชิ ม, มาธรรมนี่ไม่ว่าพราองค์ใดแต่พระพุทธเจ้าก็สาวกาิเลดก็มีประเภทเดียวกันราคาตันหารหรือความโลภความโกรธความหลง มีเหมือนกันกิเลสประเภทเดียวกันอยู่ที่ใจอันเดียวกันการพิจารณาก็ต้องอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องพิจารณาอาศัยธรร ม, มวุธมีปัญญาเป็นต้นเป็นเครื่องคว้าันหันหละกันิงไปเหมือนกับข้างพุทธกาลกิเลสก็ย่อมดุดลอยไปเช่นเดียวกับข้างนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่สงสัยว่ากิเลส จ, จะดุดลอยไปเพราะสถานที่การเวลาใด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 นี้ย่นลงมาหาพวกหาบรรดาสงฆาวกและมาถึงพวกเราความสามารถพระพุทธเจ้ามอบให้ใครมอบให้พวกเราความเพียรมอบให้ใครมอบให้พวกเราวิริยะชั<ม>้นทะความพอใจพอใจอะไรเราพอใจกับมรรคผลนิพพานเราก็ต้องพอใจในความเพียรของเรา ฉันทะคือความพอใจในงานที่จะดำเนินตนให้ถึงความพ้นทุกข์ตามที่เราได้มุ่งมั่นเอาไว้วิริยะก็เพี้ยนดำเนิอเพราะฉะนั้นลูกจิตทธชาติต้องเป็นผู้มีฉันทะวิริยะอิตะความฝักไป ย, ยดีกับงานของตนคืองานภาวนาไม่ลดละต่อวา่า ไม่ว่าการสถานที่อิริยบทให่ให้กลมกลืนไปกับอิทธิบาททั้งสี่นี้คือฉันทะวิริยะอิตะวิมังสาวิมังสาควาหมายถึงองค์ปัญญาล้วนๆแล้วมีความเกี่ยวพันกันกันกนกบธรรมสี่บทนี้เสมอคือว่าเป็นผู้กล้าเข้าสู่สงครามอันจะมีชัยชนะ ในวันเวลาหนึ่งแน่นอนและจะชนะไปได้ด้วยลูกศิษย์ตาคตคือผู้นักบวชผู้ปฏิบัติไม่มีความเพียรใครจะมีได้ในโลกมันมีความอดความทนใครจะมีได้ในโล ก, าาลโลกาศาสนาเป็นแก่นเป็นหลักใจของโลกเราเป็นผู้ปฏิบัติาศาสนาโดยหน้าที่และความมุ่งมั่นของเราอยู่แล้วทำไมจะอบรมธรรมทั้งหลายเหล่านี้ขึ้น ที่ใจของตนเฟ้ตนให้มีกําลังความสามารถในทางที่ดีโดยทางสติปัญญาศรัทธาเปลี่ยนไม่ได้มีเหลอเราต้องจริงต้องจังกับกับเราก็เหมือนกับว่ากัดกิเลสนั่นสู้ต้องสู้กันจริงๆริงอย่าทำเล่นเล่นละหลอกเหนือเหนื่ยไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้ า, าผูกพ้นทุกไม่ใช่ทางของสาวกที่ผ่านพ้นทุกข์ไปแล้วด้วยความละลอกเลี่ยนหล่ที่เกียรที่คลั่งอ่อนเใจ มากง่ายสักระเอาต้องเป็นคนกินกันทุกอย่างไม่ว่าจิตนอกการในทําอันใดให้มีความรู้สึกเจาะจงอยู่กับกิจการงานนั้นๆเป็นความกินใจของผู้ปฏิบัติเวลาก้าวเข้าสู่ความเพียรทางด้านจิตใจโดยเฉพาะจิตจะมีความจดจ่อต่อเนื่องกันไปเป็นความกินเป็นเม็ดเต็มหน่วยเช่นเดียวกับจิตภายนอกเพราะเราเคยสุขทอดทั้งเราอย่างนั้นเยู่ล้ว ทำกันอย่างนี้นักปฏิบัติถ้าอยากเห็นมรรคผลนิพพานจะไม่มีขึ้นที่ใดนอกเหนือประจักใจดวงที่ถูกกิเลสลุ่มล้อมอยู่เวลานี้ถึงเราได้ประพฤติปฏิบัติกรรมจัดมันอยู่ทุกเวลาจนกระทั่งกรรมจัดกิเลสทุกประเภทให้หมดไปจักใจแล้วเราไม่จำเป็นต้องถามหานิพพานที่ไหน นั่นเป็นชื่อเป็นชื่อของนิพพานคำว่ากิเลสก็เป็นชื่อของสิ่งมัวหมองสิ่งมืดตื้อที่มีอยู่ภายในใจิตใจปัญญาคือความเฉลียวฉลาดรอบขอบขอบคิดเป็นเครื่องมืออันสำคัญที่จะฟาดฟันหั่นแหลกกับกิเลสซึ่งมันก็แหลงคงไม่นอนแต่อย่างไรก็ไม่ผล อำนาจของธรรมมีสกิปัญญาตถาความเขียนเป็นส้ำผัาไปได้มีความหนักแน่นต่การประพฤติปฏิบัติอย่าลืมตัวให้ถือหลักปัจจุบันนัธรรมปัจจุบันนักิจอยู่เสมออย่าไปคาดไปเดาอาดีตอนาคตสถานที่หนังทีมเป็นแหล่งแห่งกิเลสจะดับจะสูญเป็นแหล่งแห่งดีเจรับมรรคมิถาน ไม่นอกเหนือไปจากใจนี่เลยกิเลสมันไม่เห็นมันคาดคเนที่ไหนแต่มันทำไมมันอยู่บนหัวใจของสัตว์โลกได้ตลอดมาไหมเวลาเราจะบำเพ็ญหรือประพฤติปฏิบัติเพื่อ ก, ากําจัดกิเลสทําไมเราจะต้องไปหาสถานที่นันที่นี่ไปหาการห า, วาเวลามเวลาให้กิเลสหัวเลาะเยอะออกขนมันลงไปที่ตรงนั้นนักก็ทราบว่าหนักทุกข์ก็ทราบว่าทุกข์เพราะ ไม่ใช่คนตายต้องมีทุกเป็นธรรมดาเมื่อประกอบการงานทุกชิ้นตัดหรือว่างานทางโลกงานทางธรรมขึ้นชื่อว่างานแล้วต้องมีความหนักเบาไปตามเรื่องของงานเราทราบกันแล้วเพราะเราเคยผ่านงานมามากน้อยแล้วยาถือเป็นอุปสรรคว่าเป็นงานหนักบ้างเบาบ้างอะไรถือความที่จะหลุดทนจากการถอดถอน น้ำคือกิเลสที่มันย่อหัวใจออกได้นี้เป็นที่พอใจอันนี้เป็นหลักสำคัญของผู้ปฏิบัตมีใจหนักแน่นสมาธิยังไม่เกิดก็เอาให้เกิดทำไมจะเกิดไม่ได้จิตมันดิ้นไปไหนสติปัญญาตามต้นมันมาได้ทางหนันบังคับได้สติปัญญาบาังคับจิตไม่ได้ไม่มีอันใดที่จะบังคับได้ในโลกนี้ สติปัญญามีอำนาจหนือกิเลสมีอำนาจหนือจิตจิตมีแต่ความรู้เฉยๆไม่รู้ดีรู้ชั่วรู้อยากรู้ละเอียดรู้ลึกตื้นหนาบางไม่รู้จักความคิดอ่านใจจดมีแต่รู้รู้อย่างคนบ้านะั้เราเห็นอยู่แล้วรู้เฉยๆอยากทําอะไรก็ทําไปตามความรู้ซึ่งมีกิเลสเป็นเครื่อง ผักดันให้ทำแต่สติปัญญาความรับผิดชอบไม่มีจึงเป็นคนประเภทนั้นนั่นเราเห็นอยู่นั่นแหละคนไม่มีสติดูออกที่ว่าขาดไปหมดเลยสติก็มีปัญญาก็ม่มีมีแต่ความรู้และกี่เหลือดุมร้องเป็นเจ้าของจึงแสดงอาการที่น่าทุเรศให้เห็นในที่ต่างๆดังที่คคยผ่าน ม, มาและเห็นมาด้วยกันแล้วนั่นคือคนไม่มีสติขาดเอาซะจริงๆขาดสติขาดปัญญา เราไม่ใช่คนประเภทนั้นมีสติปัญญาอยู่ตามธรรมดาสามัญทุนเราเรียกว่าป ก, กติอันนี้เราจะพิศนาสติปัญญาสังสมสติปัญญาขึ้นให้เลยจากขั้นธรรมดานี้เพื่อจะแก้กิเลสไปโดยลดําดับําด้วยสติปัญญาที่มีกําลังขึ้นโดยลําดับเพราะการฝึกฝนอบรมอยู่สม่ำเอาจนกระทั่งกลายเป็นมหาสติมหาปัญญาหมูน ไปเองด้วยความคล่องแคล่วว่องไวด้วยความชำนิชำนาญรากรื่นของตนเองที่สืบเนื่องมาจากการฝึกฝนอบรมฝึกซ้อมอยู่สมอแม้เบื้องต้นก็เป็นขันล้มลุกฟุ้กคลานก็ต่างแต่ก็ถึงความชำนาญได้เพราะ การฝนอบรมอยู่เสมอไม่โดละนี่แหละสติปัญญาอันนี้ที่จะกําจัดกิเลสทุกประเภทซึ่งมีอยู่ภายใจิตใจให้หมดสิ้นไปได้โดยไม่ต้องสงสัยและไม่มีการสถานที่ใดมากิดกันห่วงห้ามไม่ผู้บำเพ็ญโดยชอบทำนี้ได้บรรลุถึงความอด้น ชั้นที่ปิโกคือความรู้เอง <c oughs> เห็นเองของผู้ปฏิบัตินั้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกหักมอบไว้กับผู้ปฏิบัติด้วยความชอบธรรมเพืรู้เอง <c oughs> เห็นเองด้วยกันตั้งแต่สมัยโน้นจนกระทั่งสมัยปัจจุบันและต่อไปเพราะทำทั้งหลายแสดงว่านี้แสดงเพื่อแก้กิเลสทั้งหมดเมือ่อเลิกจากนั้นก็เรียกว่าเพื่อมรรคผลนิพพานทั้งนั้น รังไม่มีธรรมข้อใดเป็นธรรมที่คืดที่ลาสมัยมีตะกิเลสนั่นแหละเป็นตัวคือตัวลาสมัยตัวกดท่วงความเจริญของโลกของจิตใจเราหาความสุขความสบายไม่ได้ถ้าธรรมแค่เขา้าไปในจิตมากน้อยเพียงไรจิตจะเริ่มไหวตัวขึ้นสู่ความสองอบเย็นใจทันทีทันสมัยเข้าโดยลำหนำ่ำจนกระทั่งถึงสติปัญญา ที่ทันสมัยเต็มที่แล้วกิเลสประเภทใดก็ทําลายได้หมดไม่มีจริงใดเลย น, นี่ธรรมของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบทสอนเพื่ออย่างนี้ขอให้พากันเข้าใจไม่ใช่ทําเหลวไหลเราอย่าพาทํากันเหลวเหลวไหลไม่ใช่หลักธรรมของพระพุทธเจ้าทาให้เนิ่นช้าอย่างน้อยเนิ่นช้า มากกว่านั้นก็ทำลายตนเองด้วยความรู้ความเห็นในทางที่ผิดซึ่งเป็นพิษต่อธรรมในขณะเดียวกันก็เป็นพิษต่อเราต่อเราด้วยเมื่อเป็นพิษแล้วมันจะไม่เป็นโทษได้ไหมต้องเห็นรับความทุกข์ความลำบับพากันตั้งใจปฏิบัติอย่าสนใจทับสิ่งใดในโลกนี้เราเกิดมาในท้ำกลางแห่งโลก น, นิจังทุกขังตาี้เป็นเวลานา น, านแล้วควรจะ ทุกสิ่งทุกอย่างได้ผ่านทั้งหูทังตาหูจมูกลิ้นกายของเราทางใจของเรามาพอแล้วไม่น่าสงสัยแต่เรื่องธรรมนั้นเรายังไม่ไถึงใจยังไม่ไสัมผัสสัมพันเหมือนโลกที่เราเคยสัมผัสสัมพันมาตั้งแต่วันเกิดถึง่าง้นตนนี้ควรจะพอหายงสายได้บ้างแล้วแล้วสนใจต่อธรรมที่ยังไม่รู้ไม่เห็ให้ได้รู้เห็นขึ้นมาเป็นเครื่องเทียบกัน เทียบเกี่ากันกับสิ่งที่เราได้รับสัมผัสสัมพันธ์มีความสุขความทุกข์เป็นมาอย่างไรกับโลกระหว่างโลกกับธรรมที่เราพูดเดียวเป็นผู้ผลิตขึ้นมานี้อันไหนที่มีน้ำหนักมีคุณภาพต่างกันอย่างไรบ้างให้เห็นด้วยตัวของเราเองรู้ด้วยใจของเราเองเราจะนเราจะหายสงสัยคำว่าปล่อยวางปล่อยวงังไม่รู้ไม่เข้าใจยังก่อนปล่อยวางได้หรื ต้องรู้ก่อนถึงปล่อยวางนะรู้น้อยปล่อยวางน้อยปล่อยวางความยึดถือสิ่งนั้นสิ่งนี้สึ่งเป็นสมบัติของโลกอันนี้จังทุกขังหน้าต่างเลยปล่อยเข้ามาเรื่อยๆเพราะเวลาถึงปล่อยเพราะสิ่งที่รู้ที่เห็นนี้มีคุณค่ามากกว่าสิ่งที่เราเคยยึดถือมาแต่ก่อนเป็นลำดับลาดาบจนกระทั่งถึงมีคุณค่ามหาศาลหรือมีคุณค่าอันสูงสุดจึงปล่อยได้หมด บรรดาสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในสามโลกธาตุนี้ไม่มีอันใดที่จะมีคุณค่ายิ่งกว่าความบุญพ้นไม่มีคุณค่ายิ่งกว่าจิตที่บริสุทธิ์แล้วนั้นนั่นแหละตรงนั้นตรงนั้นที่เหนือโลกเพรา ะ, ะนั้นจึงต้องปล่อยไปเดืยลำดับอันนั้นสูงกว่าธรรมะสูงกว่าสูงกว่าไปเรื่อยๆปล่อยไปเรื่อยเมื่อถึงขั้นสูงสุดปล่อยได้หมดเลยแม่ที่สุดจิตที่บริสุทธิ์นั้นก็ไม่ได้ยึด ต, ตัวเอง สิ่งที่ตามมาทั้งนี้เป็นขึ้นเพราะอะไรเป็นขึ้นเพราะการปฏิบัติของผู้ปฏิบัตินั่นเองเราบวชมาเรามีจุดหมายปลายทางไม่ใช่บวชมาแบบฟุ่มเฟือยสุภาพเราบวชวมีกดมีเกณฑ์จิตมีความมุ่งหมายมีความมุ่งมั่นเพราะฉะนั้นความเพียรจึงต้องให้เป็นไตามความมุ่งหมายมุ่งมั่นของเรา ยาให้เรอแหละอ่อนแอเราให้สิงให้จังสติเป็นสิ่งสำคัญมากอย่าลืมนี่พูดเสมอสติเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวในวงความเพียนปัญญายังใช้เป็นบางการบางเวลาสตินี้ไม่เลือกการสถานที่เลยเว้นตลับเท่านั้นยิ่งดี น, นจะเป็นการรวดเร็วเข้าโดยลาดับนี้ขอให้ทำความเข้าใจไว้เอาพูดแค น, นี้ก่อนต่อไปท่านปัญญาอธิบาย <c oughs>